นั่งเรือกลับวัดพรมบุรีพระเจริญย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อนเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นอาเช่าผีมาเข้าหลานเพราะอยากได้สมบัติของพี่ชายเห็นจะต้องนำไปเล่าสู่โยมใหญ่ฟังเพราะถ้าไม่ได้คาถากรียะเมตสูตรที่โยมใหญ่กำชับโยมพ่อสอนให้ท่านท่องตอนไปเรียนบางกอกป่านนี้ ท่านคงต้องอับอายขายหน้าผู้คนบนบ้านนายอยู่ซุกด้วยว่าเป็นพระแต่กลับมาพ่ายแพ้ผีหรือดีไม่ดีอาจถูกผีหักคอมอดม้วยมรนาชีวาวายแวบเป็นปลาแปปปิงไปแล้วก็ได้แม้เจ้าหนุ่มสามคนรับปากแข็งขันว่าจะช่วยพอถึงคราวคับขันเข้าจริงๆคงต่างคนต่างนี้เอาตัวรอดตามสัญชตาตญาณการรักชีวิต ผลที่สุดไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นอกจากตัวของตัวเองเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าอตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสียาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครในเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ผู้คนที่แออัดกันอยู่บนบ้านในอยู่ซุ มีทั้งชาวพุทธและมุสลิมเท่ากับมีพยานรู้เห็นทั้งสองฝ่ายแล้วท่านจึงสรุปว่าคนเราเมื่อถูกอากุสลมูลสาคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตก็สามารถทำความช่วยได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือเป็นมุสลิมแม้ศาสนาทุกศาสนาจะมีคำสอนเหมือนกันอยู่สองประการคือ สอนให้มนุษย์ละชั่วทำดีก็ใช่ว่าจะมีผู้ปฏิบัติตามไปซสทุกคนเพราะคนดีมีปัญญาเท่านั้นที่จะปฏิบัติตามส่วนคนโง่เขลาเบาปัญญาเขาจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของาศาสนาจึงพากันก่อกรรมทำชั่วตามอำนาจของกิเลสที่ชักจูงไปในทางเสื่อมดังนั้นทุกชาติทุกาศาสนา จึงมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปนายเที่ยวกับนายชานอยากจะนับเงินในบาทแต่เห็นว่าไม่สะดวกเพราะเรือแล่นเร็วเกรงว่าเงินจะเปลี่ยวตกน้ำจึงเลิกล้มความตั้งใจหันมาคุยกับพระเจริญแทน หลุงพี่ของผมเยี่ยมจริงๆปราบผีได้โดยไม่ต้องมีมีดหมอนายชาญเอ่ยปากชมต่อไปนี้พวกเรารวยแน่ตามหลุงพี่ไปไล่ผีและขอแบ่งเปอร์เซ็นต์นายเชี่ยวเสริมนี่พวกเองริหากินกับพระหรือพระเจริญสัพพโยกก็คงทำนองนั้นแหละครับที่พระยังหากินกับโยมได้ ถึงคราวที่โยมจะหากินกับพระบ้างจะเป็นไรไปนายเชื่อ ว, ว่าจริงครับต้องถอยทีถอยอาศัยกันพระพึงโยมมามากแล้วคราวนี้โยมจะพึ่งพระบ้างนายชานสนับสนุนพี่ชายแต่ข้าไม่อยู่ร่วมมือกับพวกเองหรอกนะข้ากลัวตกนรกจะกลัวไปทำไมล่ะหลวงพี่ตกก็ตกด้วยกัน เลือดสุพรรณซสอย่างพ่อเองเป็นคนสุพรรณหรือพระเจริญถามหมายใจยัว่วถึงไม่ใช่สุพรรณแท้แต่ก็เฉียดเฉียดและลุงพี่สุพรรณกับเมืองสิงห์มันก็ใกล้ๆกล้กันแล้วโยงมพ่อของลุงพี่ล่ะเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าน้องชายในเชี่ยวย้อนถามเพื่อไม่ให้เสียเปรียบพระนี่ อย่าลามปามถึงโยมพ่อของข้าพระเจริญออกกโกรธที่หลวงพี่ลามปามโยมพ่ อ, อผมละ่ะโยมพงโยมพ่อที่ไหนเอ็งเป็นขฤหัดมีโยมพ่อด้วยหรือท่านหันมาจับผิดเรื่องการใช้ภาษาเมื่อถูกฝ่ายนั้นโต้กลับเรื่องบิดาเฮินหน้าอีกหน่อยผมบวชก็ต้องเรียกโยมพ่อเหมือนหลวงพี่นั่นแหละ นายชาญหาทางออกแต่ตอนนี้เองยังไม่ได้บวชจึงไม่มีสิทธิ์เรียนแบบค่านายเที่ยวรู้สึกรำคาญประกอบกับไม่พอใจที่ถูกพระหนุ่มพูดพาดพิงไปถึงบิดาจึงพูดขึ้นว่าผมว่าหลวงพี่เลิกพูดเรื่องพ่อไอชานมาันเถอะเพราะพ่อไอชานก็เป็นพ่อผมเหมือนกันเกิดผมโมโหทําร้ายหลวงพี่ตกน้าตกท่าก็จะเป็นบาปกับผมเปล่า ตกลงเลิกเกาะเลิกพระหนุ่มยอมรับเงื่อนไขอย่างง่ายดายเพราะตึกตรองรอบครอบแล้วว่าท่านเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องเข้ามากันสองคนส่วนท่านตกที่นั่งหัวเดียวกระเทียมรีบหากมีเรื่องมีราวนายหลอก็คงไม่ช่วยท่านใครจะเอามือไปซุกหีบแล้วนาคนพวกนี้อยู่ในวัยคึกขนอง เกิดมันเตะพระตกน้ําพระก็จะเจ็บตัวเปล่าๆยอมแพ้มันดีกว่าเพราะเราเป็นพระไม่งั้นคนโบราณท่านจะสอนไว้หรือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารพักใหญ่ๆเรือก็เล่นมาถึงบ้านแพนนายหล่อร้องตะโกนมาจากท้ายเรือว่าลุงพี่จะแวะเรื อ, อไรที่บ้านแผนอีกหรือเปล่าไม่ว่ไม่แวะแล้วกลัวเราไม่ดีว่อ นายชานตอบเสีเองหาเรื่องกับพระไม่ได้ก็หันมาหาเรื่องกับโยมใครจะทําไหมกูถามหลวงพี่ไม่ได้ถามมึงนายหล่อว่าแต่กูจะตอบถึงมึงถามคนอื่นกูก็จะตอบมึงเขินใจใช่มหมเออสิว่าเอาอยัางไงก็เอากันกูทักเหนื่อยแล้วนะไม่ได้นั่งส บ, บายเหมือนพวกมึงบุตรชายในเหล่าเริ่มบน่นขากลับ เรือแล่นทวนน้ำคนขับจึงรู้สึกว่าต้องใช้เรี่ยวแรงมากกว่าขามามึงว่าลุงพี่หรือนายชานวกกลับมาหาคนเป็นพระอีกเปล่าว่ามึงสองคนนั่นแหละงั้นก็ไม่ยุติธรรมสิวะหลุงพี่ก็นั่งมาเหมือนกันถ้าจะว่าก็ต้องว่าให้หมดเออว่าหมดก็ได้นายหล่อแซงประชดดีว่าง่ายดี แล้วมีอะไรข้องใจอีกไหมมสิวะยากเตะคนวะเตะแม่มตกน้ำซะดีมั้เฮ้ยไอหล่อมึงจะมากไปแล้วนะเรื่องอะไรมาด่าแม่กูแม่ไอชานก็เป็นแม่กูถ้ามึงเตะไอชานกูอาจจะนั่งดูเฉยๆแต่ถ้ามึงเตะแม่มันรับรองกูเตะมึงแน่นายหล่อจิงตะโกนถามพระเจริญอีกว่า ลุงพี่ขออนุญาตจอดเรือแต่ไอสองคนนี่หน่อยเถอะพูดพลางนำเรือเข้าเลียบฝั่งภิกษุวัย22รีบยกมือห้ามไม่ต้องจอดถ้าเองจะกัดกันก็กลับไปให้ถึงวัดเสียก่อนข้าขึ้นกุฏิแล้วเองค่อยฟัดกันใครตายก็เอาเข้าเมนเผาเลยไม่ต้องจ้างคนหาม พระหนุ่มพูดอย่างรำคาญครันนึกได้ว่าที่ท่านต้องมาร่วมหัวจมท้ายกับคนทั้งสามก็เพื่อจะบอกบุญกับญาติโยมเมื่อบอกบุญแล้วได้บุญมาเต็มลำเรือแล้วฉะไหนจะมาทะเลาะบอกแว้งกันให้บุญมัวหมองเล่าท่านเป็นพระจะต้องทำหน้าที่ของพระคิดดังนั้นแล้วจึงบอกคนทั้งสามด้วยเสียงค่อนข้างดังให้ได้ยินไปถึงในหลอ ที่นั่งอยู่ท้ายเรือว่าวันนี้ข้าได้ดูลิเกสองเรื่องแต่พวกเองได้ดูเรื่องเดียวที่ไหนคนทั้งสามถามขึ้นพร้อมกันได้ยินว่าลิเกก็หูพึ่งเิี๋ใจชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีที่บ้านภั่กองดินเรื่องหนึ่งแล้วในเรือลํานี้อีกเรื่องหนึ่ง โอ้หลวงพี่ก็หนุ่มวยชกันสามคนครางพร้อมกันอีกโดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและต่างก็เกิดความละอายในสิ่งที่ทำลงไปพวกเขามากับหลวงพี่ด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วฉะไหนจึงยอมให้อากุศลมาครอบงำจิตใจเล่าในเที่ยวได้สติก่อนเพื่อนจึงแกล้งถามพระหนุ่มว่าที่บ้านภายกองดิน ลิเกเล่นเรื่องอะไรครับหลวงพี่เรื่องโลภะส่วนในเรือลานี้ลิเกเล่นเรื่องโทสะมีคนสดแสดงอยู่สามคนพระหนุ่มตอบเกินคำถามแล้วจะไปดูเรื่องโมหะได้ที่ไหนหล่ะครับนายหล่อตะโกนถามอย่างนึกสนุกก็อยู่ในสองเรื่องนี้แหละเพราะโมหะ มันเป็นผู้กำกับถ้าไม่มีโมหะอยู่เบื้องหลังโลภะกับโทสะก็แสดงออกมาไม่ได้ไหนบอกมาสิว่าอากุศลมูลสามอันเป็นต้นต่อของความชั่วนั้นเองว่าตัวไหนร้ายกาศที่สุดโลภะครับเพราะตัวโลภะเป็นเหตุอิตายุโซถึงไปเช่าผีมาเข้าหลาน โลภะทำให้มันคิดชั่วทำชั่วในเชี่ยวตอบอย่างมั่นใจผมว่าโทสะครับหลวงพี่เพราะโทสะเป็นเหตุพวกผมสามคนถึงได้ทะเลาะกันที่เขาฆ่ากันตายก็เพราะตัวโทสะนี่แหละครับนายชานไม่เห็นด้วยกับพี่ชายผมว่าโมหะตัางหาเพราะคนเรามีโมหะจึงทำให้มีโลภะมีโทสะ ถ้าไม่มีโมหะกำกับโลภะกับโทสะก็ไม่เกิดอย่างที่หลวงพี่ว่าลูกชายในเหล่าตอบสมกับมีบรรพาวรุษเป็นมคนายกถูกแล้วเจ้าโมหะเป็นตัวร้ายกาศที่สุดเพราะมันทําให้เกิดโลภะกับโทสะโมหะเป็นกิเลสพวกเดียวกับอวิชชาผู้ที่ละอวิชชาได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น พระหนุ่มถือโอกาสเทศนอกธรรมาตรพระโสดาบันก็ยังละไม่ได้หรือครับนายหลอถามอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยแม้พระอนาคามีท่านก็ยังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่ยิ่งปุถุชนอย่างพวกเองด้วยแล้วอวิชชาเต็มเป่าเต็มกระเป๋าเลยแล้วพระยังลุงพี่ละครับ คงมีอวิชชาเต็มย่ามเลยเหมือนกันนายชานอดไม่ได้ต่ำเคยไอชอนมึงอย่าว่าลุงพี่นักเลยเพราะเดี๋ยวก็เล่นริกเกเรื่องโทสะกันอีกรอกนายหล่อเตือนคราวนี้นายเที่ยวไม่เข้าข้างน้องชายเขาพูดสนับสนุนนายหล่อว่าจริงด้วยกูชักกลัวตกนรกแล้วสิบานนี้พยายมราชจดชื่อลงหนังหมาไว้แล้วมัง้ง นั่นสิเห็นเขาว่าทุกครั้งที่มีคนทำชั่วพญายมราชจะจดชื่อคนคนนั้นใส่หนังหมาเอาไว้คิดบัญทีตอนตายวันนี้พวกเราสามคนถูกจดชื่อไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้กูว่าไม่จริงหรอกนายชานไม่เชื่อเพราะถ้าจริงป่านนี้หมาหมดจากโลกไปนานแล้วมึงคิดดูสิประเทศไทยมีพลเมือง18ล้านสมมติมีคนทำชั่ววันละเก้าล้าน ต้องะลกนังหม้ากี่ตัวถึงจะพอจดแล้วไหนจะประเทศลาวคาเมนพามา่าอีกละ่ะแบบนี้ม้าไม่หมดโลกหรือไงเขาคงใช้หม้าของเมืองนรกนั่นแหละคงไม่มาเอาจากโลกมนุษย์หรอกในเชี่ยวสันนิฐานเมืองนรกมีหมาด้วยหรือในชานสงสัยถึงอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อทำไมจะไม่มี ก็หมาปากเหล็กยังไงล่ะที่มันกัดคนกำลังปี้นต้นงิ้วในเชี่ยวบอกน้องชายอย่างที่เห็นในภาพชุดพระมาลายเยี่ยมเมืองนรกน่ะกูว่าคงเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมามากกว่าคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมครับหลวงพี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันยมยายของข้าเคยเล่าเรื่องพระมาลายให้ฟังบ่อ ย, อยตอนข้าเป็นเด็กตอนนั้นข้าไม่เชื่อ แต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะสิ่งที่โยมยายข้าเล่ามักเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นพระหนุ่มตอบแบ่งรับแบ่งสู้ผมว่าผู้ใหญ่เขาเล่าอะไรก็เชื่อไว้ก่อนดีกว่าเชื่อได้ประโยชน์กว่าไม่เชื่ออย่างเรื่องนรกก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อว่านรกมีเราก็ไม่ทำความชั่วพอตายไปถ้านรกมีจริงเราก็ไม่ต้องตกนรก แต่ถ้านรกไม่มีก็แข่เสมอตัวนายหล่อเสนอแนะจริงของไอ้หล่อมันผมว่าอะไรที่เราเชื่อแล้วทำให้เราเป็นคนดีถึงสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่เสียหายอะไรจริงไหมครับลุงพี่นายเที่ยวเห็นด้วยกับนายหลอ่อก็แล้วแต่เองจะคิดสำหรับข้าเห็นว่าโลกนี้ มันมีอะไรลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้สักวันหนึ่งข้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่หลวงพี่จะพิสูจน์ยังไงนายชานถามอย่างสนใจข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อไปอาจจะรู้ถึงตอนนั้นเองค่อยมาถามใหม่ก็แล้วกัน กลงครับแล้วหลวงพี่อย่าลืมบอกผมนะครับเรือแล่นมาถึงท่าน้ำวัดพรมบุรีตอนพบถ้ำนายเชี่ยวอุ้มบาทใส่ปัจจัยเดินตามพระเจริญไปยังกุฏิท่านสมพาน์ปล่อยให้ในายชานกับนายหล่อช่วยกันขนข้าวสารขึ้นจากเรือสมพัน์ช่อเพิ่งส่งน้ำเสร็จและครองไตรจีวรเรียบร้อย เห็นพระหนุ่มมาถึงก็ทักทายเป็นยังไงยาดยมเขาให้ความรมือดีไหมดีมากครับลุงพ่อได้ข่าวสารมาค่อนลำเรือกับปัจจัยเกิดเต็มบาทเดี๋ยวลุงพ่อช่วยนับด้วยนะครับผมขอตัวไปส่งน้ำก่อนเหนื่อยมาทั้งวันท่านกราบสมภานสามครั้งแล้วลุกออกมาก็ได้เจ้าเชียว จะอยู่ช่วยกานนับก่อนได้หรือเปล่าท่านถามนายเที่ยวผมก็ต้องขอตัวเหมือนกันหลวงพ่อให้เน้นมาช่วยดีกว่านะครับพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกตามพระเจริญไปหลวงพี่มีอะไรก็รีกใช้ผมอีกนะครับวันนี้ผมขอกลับบ้านก่อนเขาบอกพระหนุ่มเมื่อเดินตามมาทัน ตรงทางจะเลี้ยวไปกุฏิของท่านเออขอบใจเองมากคงได้ร่วม ง, งานกันอีกฝากขอบใจเจ้าชานกับเจ้าหลอด้วยนะในเที่ยวยกมือไหว้พระหนุ่มแล้วจึงเดินไปยังเรือเพื่อจะกลับบ้านขณะนั้นพวกเด็กวัดพากันมาช่วยขนข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จพอดีสมพันธ์ชอบ นับปัจจัยเสร็จและเก็บไว้อย่างมิชิดคือใต้ฐานพระพุทธรูปที่อยู่ในกุติของท่านจากนั้นจึงเดินไปยังกุติพระเจริญเพื่อจะขอบใจที่พระหนุ่มทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปขั้นหนึ่งก่อนทีวาลาลับขอให้ท่านได้เห็นอุบโบสถหลังใหม่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัดพรมบุรีญาติโยมจะได้กล่าวขานว่าเป็นผลงานของสมภารช่อ ท่านเองก็จะได้นอนตายตาหลับไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนดังสมภารองค์ก่อนๆพระเจริญส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยเห็นสมภารมาหาถึงกุติจึงลงมาต้อนรับนิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปคุยกันข้างบนก่อนเถอะครับอันที่จริงหลวงพ่อไม่น่าต้องลำบากมาเองให้ลูกศิษย์มาตามผมไปพบที่กุติก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ท่านก็อยากจะมาดูว่าเธออยู่ยังไงสะดวกสบายดีไหมหรือว่าขาดหรืออะไรก็ให้บอกท่านคิดว่าจะต้องเอาใจพระหนุ่มรูปนี้เป็นพิเศษด้วยประจักษ์แล้วว่าเขาจะเป็นผู้ที่ทำให้การงานของท่านสำเร็จได้ดังใจหวังสมพันธ์ชอขึ้นมานั่งบนกุฏิคิดว่าจะคุยอยู่สักประเดี๋ยวค่อยกลับ ได้ปัจจัยมากไหมครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามท่านคิดว่าคงได้หลายร้อยช่างเพราะก่อนขึ้นไปบนบ้านในยูซุท่านได้ร้อยช่างแล้วและหลังจากทำพิธีไล่ผีเสร็จพวกชาวพุทธที่อยู่บนบ้านก็พากันบริจาคเป็นการใหญ่ด้วยศรัทธาที่ท่านปราบผีสำเร็จได้ตัง300้งสามร้อยช่งแน่ สมทบกับของเดิมที่ชั้นสะสมไว้อีก200ชั่งรวมเป็น500ชั่งแต่เงินทั้งหมดที่เราจะต้องใช้จ่ายตั้ง40สบมืนตอนนี้มีอยู่สี่0มื่นยังขาดอีก3 6ม0 0มื่นแล้วจะลงมือสร้างเมื่อไรครับก็คงต้องรอให้ได้เงินครบเสียก่อนฉั้นก็เห็นแต่เธอหนีแหละ ที่จะช่วยได้คนอื่นคงจะพึ่งพาไม่ได้ประเภทบวชเสียเข่าสุกท่านถือโอกาสตำหนิพระลูกวัดหมายเอาใจพระเจริญแต่นั่นกลับทำให้พระหนุ่มได้เห็นสัจธรรมจึงรำพึงในใจว่าใครช่วยเขาได้เขาก็ว่าดีใครช่วยไม่ได้ก็ถูกหาว่าบวชเสียเข้าสุก มนุษย์ก็เป็นซะอย่างนี้ใจคิดอย่างหนึ่งแต่ปากพูดอีกอย่างว่าอาจารย์เฉยบอกว่าจะสร้างเสร็จภายในสองปีแต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะนี่ก็จะครบปีแล้วเพิ่งได้เงินแค่สี่หมื่นเองพระหนุ่มออกวิตกจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอ ท่านเชื่อในคำทำนายของอาจารย์เชยแล้วกดเชื่อในวาสนาบารมีของพระเจริญโยมยายของเขาออกร่ารวยคงจะช่วยพระล้านชายสร้างจนเสร็จนั่นแหละสมพันธ์ชอพยายามพูดให้กําลังใจพระหนุ่มแต่หลวงพ่อก็ทราบดีว่ายมยายของผมเป็นคนขี้เหนียวขนาดไหนตอนอยู่บางม่วงมูเขารู้กันทั้งตาบล เี๋วนี้ย้ายมาอยู่ตลาดปากบางคนก็รู้กันทั่วทั้งตลาดทำไมถึงย้ายละ่ะอยู่บางมวมหมู่ก็สบายดีไม่ใช่หรือสบายดีครับแต่ตอนหลังๆโจรผู้ร้ายชุกชุมทั้งปล้นทั้งฆ่าไม่เว้นแต่ละวันโยมยายจึงชวนโยมพ่อขายบ้านช่องวัวควายแล้วย้ายมาอยู่ตลาดปากบางเงินที่ขายได้ก็นำมาซื้อที่ปลูกห้องแถวอยู่กัน ถึงจะคับแคบแต่ก็ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายครับหลวงพ่อมนุษย์เรานี่มันแย่ลงไปทุกวันนะเธอนะฉันหมายถึงพวกโจรที่เที่ยวเบียดเบียนชาวบ้านร้านทินเขานะคนพวกนี้มันไม่มีศีลไม่ฉะนั้นก็คงไม่มาเป็นโจร น, นั่นสิครับแค่คนเรามีศีลห้าก็จะไม่เบียดเบียนกัน ยมยายของผมถึงจัดระนีที่เนียวแต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเพราะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดยมพ่อกับยมแม่ก็เช่นกันแต่นับวันคนรุ่นนี้ก็จะลดน้อยลงไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่ดำเนินรอยตามคนรุ่นเก่าในอนาคตคนจะถุศีลกันมากขึ้นครับยมยายเล่า ว, ว่า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 เด็กที่เกิดหลังปีสองพันห้าร้อยจะเอาดีไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่เป็นสัตว์นรกมาเกิดพระหนุ่มเล่าขานตามที่ฟังมาจากโยมยายก็ต้องตามแต่กรรมของเขาคนเราถึงจะมาจากเมืองนรกแต่ถ้าจะกลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นสร้างความดีในชาตินี้มันก็ไม่สายเกินไปแต่ถ้าเขาไม่สร้างความดีสร้างแต่ความชั่ว พอตายก็ไปตกนรกอีกเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิน้นความดีทำยากนะครับหลวงพ่อผมว่าคนที่จะทำความดีต้องฝืนใจส่วนความชั่วทำง่ายคนที่ชอบอะไรง่ายง่ายก็เลยพากันทำชั่วเอาละเอาละ่ะถ้าจะพูดเรื่องนี้คงไม่จบง่ายง่ายเธอคงจะเหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนเถอะ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 นี่ก็เข้าไปค่อนปีแล้วได้เงินแค่สี่0มื่นเท่านั้นหลวงพ่อชอบบอกว่าต้องให้ได้เงินครบเสียก่อนจึงจะลงมือสร้างนั่นและเมื่อไหร่ลงมือสร้างเมื่อนั้นก็จะเสร็จภายในสองปีแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ลงมือสร้างครับเธอบวชครบห้าพันสาเมื่อไร เมื่อนั้นก็สร้างได้ตอนนี้เธอยังบวชไม่ครบ 2, สองพันศานี่นะทานบารมียังไม่แก่กล้าพอต้องร้อยครบห้าพันศาก่อนหรือครับถูกแล้วถึงตอนนั้นเธอจะพบคนอุปธรรมหลายคนในบรรดาคนเหล่านี้มีอยู่คนหนึ่ง ี่เธอเคยกอ่อกรรมทำเข็นไว้กับเขามากมายแต่เขาจะอโหสิให้เธอและจะช่วยสร้างโบสช์กรากระผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครเพราะก่อกรรมทำเข็นไว้กับหลายคนเหลือเกินกราวกระผมเกเรมากสมัยเป็นเด็กขอนั่นฉันรู้เพราะอย่างนี้แหละ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 ไม่มีแม้แต่เงาของหลวงพ่อสุขจึงรู้ว่าฝันไปกระนั้นก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอย่างประหลาด